ต่อไปนะครับ้ร้อยเจ็ดสิบสาบสวดธีข้อยี่สิบแปดพสุรุ่งใดนั่นหมายกับพิสุนีแล้วพึนขึ้นเรือลาเดียวกันซึ่งจดัดนั่นทวนกระแสน้ำก็ดีสนะน้ำก็ดีเว้นไว้แต่ข้างป้าต้องตาบัดปลายสิครีเนี่ย น, นี่ก็ต้องตัวนครนะึ้นเรือลำเดียวกับพิสุนีนะครับ เอาขึ้นเรือเำนี้แบบพิจูนีไปในแม่นะด้วยนะถ้าไปทะเลมันเป็นไรนะครับมีการข้าวชวนมันก่อนช้าวชวนน้าไมายก่อนนะครับแล้วขึ้นเรือลเดี้ก็ไปกับพิจุนีนะจะเป็นการนะครับแล่นเรือไปทวนกระแสน้าพอดีใช่ไหมมันดีคนจะทางก็ทวนกระแสน้ำนะครับหรือว่าเขาเร่นแล้วพาเรือแล่นนะครับผู้ญิงผู้ชายพาเรือแล่นพาเรือแล่นทวนกระแสน้ำก็ดีใช่ไหม อยู่ไร้เป็นตางหมดแตนะก็มีครับไม่ว่าแต่ถ้าเป็นการข้ามฟ้างนี้เหมันเป็นไถ้าเป็นการข้ามฟ้าเนี่ยไม่ต้องอังบทนะครับอันนี้ช่วงไปได้แต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะก็จะต้องแบบไปตีนะครับมันต่างเพราเมื่อกี้เนะี่ยช่วนไปบนบ น, บนบกที่ไม่ได้ทางกลแต่อันนี้ช่วงไปเนี่ยนะโดยทางไก ล, ไไนะลอกลงโดยลำเดียงกันไปด้วยกั น, นะครับบรรลุขอาขอึ้นมาอันนี้ไม่ยากไม่ไม่ดีนะประ ม, มาณนี้ กับผู้หญิงก็ไม่มีและไม่มีอาบาัตนะครับต้นบางอย่ามาจากอัมาเชพปะพระเชพปะคีอีกนะครับโดยสมัยนั้นพุณพระพากุฎเจ้ากระทำอยู่หน้พระเชตะวันอาามของรัฐบาลวีดิกาข้าบดีเขียนพระนครสาวถีครั้งนั้นพระเชพปะคีชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลำเดียว ก, กับพวกพิษุลีประชาชนใเข้ตัวเต็มบทนาว่าพวกเราพร้อมด้วยภรรยา เล่นเรือลำเรเียงกันฉันใดพ ร, ร, ระสมนาเชษฐาพระศรีญาบุตรเหล่านี้ชักชวนกันแล้วเล่นเรือลำเรเียงกับคู่พิษุนีก็ชั้นนั้นะครับทีนี้น่ยพิทูบุญมากน้อยสมเด็จก็เพ่งตัวเตรียมบทนาแล้วก็การค้มเจ้าสงสารนะครับพระองค์ทรงสอ ง, ท ง, สองดเท้าทรงติเตียนแล้วก็มีสขาบนนี้ขึ้นมาคั้งแรกเนี่ยไม่มีเพราะว่าโดยไม่แต่ข้างฝั่งรือไม่มีนะก็ไม่ได้แน่นะนะครับ สมัยต่อมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกหน้านว่าพิสุได้พิจิณณ์หนาลูกด้วยกันเนี่ยจะเดินทางไปจากเมืองสาเกตไปพระนครสาบัตแต่ระหว่งางทางมีแม่แม่น้าที่ต้องข้ามไปนะรับจึงพิสุนีพวกนั้นได้กล่าวคำนี้กับพิสุพวกนั้นว่าพวกดิฉันก็จะข้ามไปเหนือด้วยพระคุณเจ้าพิสุก็เลยพูดว่าดูก่อนน้องหญิงการช่างชวนการละโดยสารอเดียวการกับพิจิณณ์ไม่สมควร พวกเธอจับข้าไปก่อนหรือพวกฉันจะข้ามไปก่อนพิจษณีก็บอกว่าพวกพระคุณเจ้าเป็นชาพุโลกล้วพรุคุณเจ้านั่นแหละจงไปก่อนว่ากันคล้ายกันนะครับพิสจุก็ไปก่อนใช่ไหมทีนี้เมื่อพวกพิษณีนั้นข้ามไปภายหลังนยครับพวกโจเนตพากันแย่งชิงเนตรปุถุสลายทันพิษนีพูนแล้วไปถึงพระนครสาบันถีแล้วได้แจ้งนั้นแก่พิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายซึสุทั้งหลายได้แจ้งนั้นแก่พิสุทังหลายทังหลายก็กล่าวมุนิสาสมสา ผว้ทูต ก, ก็สอนปัญญาขึ้นมาแะมีท้งเร้แต่ข้าป้าเละอไรพ่อเข้ามามาดูชวนก็เหมือนเนนะดิมนะชวนด้วกันนะ้งสอง่านะครับทีนี้หลองนี้มีข่าวที่บ้านอย่าีก็มีข่าที่บ้านข้างหลังแน่แต่าหาเลยตอนนี้นะครับจะไปอาบัตตอนไหนเนี่ยทีนี้บอกว่าเป็นอาบัต ท, ทุกๆระยะบ้างหอนกันะคในป่าหาบ้างไม่ได้ก็ ในป่าในบ้านต้องบรรทกถึงโยกมกันมากว่าถ้าแม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำสายมันยาวไปไหนนี่ใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านอีกฝั่งนึงเป็นป่าถ้าคุณพาเรือไปเนี่ยไอ้ตรงข้ามฟากฝัฝ่งที่ใกล้กับหมู่บ้านนะก็จะนับอาบัตตามจำนวนของหมู่บ้านนะครับที่เขามาะดิษฐ์รหมู่บ้านหรือหมู่บ้านถ้าคุณพาเรือมาข้างฝฟากของที่ใกล้กับป่าเนี่ยนะก็จะนับอาบัตตามจำนวนของอะไรครับ ตามเำนนอะไรครับน um ้ำอับบางที่ไม่มีูบ้านไ่ีหมู่บ้านมก็ครึ่งย่อนะอับบางตามจำนวนครึ่งย่อนะครับแต่ถ้าบอกว่าแม่น้ำใดนะเป็นแม่น้ำที่กว้างมากเลยนะครับต้งย่อถึงโอ้โหแม่น้ำสิบปกิโสิบหกกิโลเนี่ยนะกว้างถึงย่อแม่น้ำเมซอนถึงขนาดนี้ถึงยาสิบหกกิโความากว้างของแมน แกแต่มาฝัก16กิโลเลยทางใ น, นซ้อมไม่นาจะเป็นในน้ำ น, นคะครับเม่นาจะเป็นแบบหนองน้ำใหญ่นี่นเป็นคะเลส า, าบเ้าหครับเพราะว่าอนาคดาันอยู่ใต้เอราะว่าได้ทีนี้นะครับมันเป็นยังไงถ้าอะไรนะถ้าพาเลยไปกลางแม่น้ำอะไรอย่างเงีอ้าวผมไม่ทำนะฝั่งนึงพาไปกาาลางแม่น้ำได้เป็นน้ำกวามขึยอดนะ อก็นําอาบัตเลยครับตามไปดังครึ่งโยมเหมือนกันนะท่านบอกว่าถ้าเป็นการไปทะเลหรืไม่เด็อันนี้มีบอกว่านะไม่ใช่ในแม่น้ําอย่างเดียวนะครับแม้ที่สุดได้ต อ, อกแต่ท่าชื่อมหาดิบไปสู่ท่าชื่อตามพาริตติบนะครับก็ดีชื่อสุวรรณภูมิก็ดีไม่เป็นอาบัตแม้แต่ที่สุดนั้น จิงอยู่ในทุกทุกอักษรคาถาถ้าวิการณ์แบ่งไว้ในแม่นะเท่านั้นนะครับไม่ใช่ในทะเลนะครับในทะเลไม่เป็นไอ้ข้อนแม่นะข้อนี้ก็จบอยู่ครับถ้าฟาได้ข้าฟาได้ถ้าฟาจังกับถ้าศรีล่างเนี่ยนะถ้าฟาดได้